คือการปฏิบัตินะมันคือการเรียนรู้ตัวเองพอเรารู้จักตัวเองแล้วก็พบว่าตัวเราไม่มีฟังดูแล้วท้อแท้ใจเลยเมื่อตัวตนหายไปความจริงตัวตนนั่นตัวทุกเลยกายนี้ใจนิ่มทุกทั้งนั้นอ่ะมันไม่ใช่ว่าเป็นตัวเราเป็นของเราจริงๆหรอกอย่างร่างกายนี้เราก็อาศัยวัตถุธาตุของโลก มาอยู่ชั่วคราวไม่นานก็แตกสลายไปจิตใจก็เกิดดับอยู่ตลอดเวลาเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยอะไรที่แท้จริงไม่ได้พอนะเข้าใจแล้วมันหมดความยึดถือพอมันหมดความยึดถือในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนะจิตใจมันกลับมีความสุขที่มหาศาล ความสุขของเราทุกวันนี้เป็นความสุขที่อิงอาศัยคนอื่นอิงอาศัยสิ่งอื่นเราต้องอยู่กับคนนี้ถึงมีความสุขต้องได้สิ่งนี้ถึงจะมีความสุขต้องไม่มีอันนี้ไม่มีคนนี้ถึงจะมีความสุขความสุขของเราพึ่งคนอื่นตลอดเวลาพึ่งสิ่งอื่นๆตลอดเวลานี่คนอื่นหรือสิ่งอื่นเนี่ยมันพึ่งไม่ได้จริงอย่างเด็กๆเราอยู่กับพ่อแม่มีความสุขือพ่อแม่ตายไปหรือบ้านแตกขึ้นมาความสุขเราหมดไปละ โตขึ้นมามีความสุขอยู่ในครอบครัวนะมีมีลูกมีภรรยามีสามีอะไรขึ้นมาความสุขอิงอาศัยสามีเนะี่ยสามีเปลี่ยนใจเมื่อไหร่ก็ได้ภรรยานอกใจก็ได้ลูกเราอาจจะตายไปเลยก็ได้นความสุขที่อาศัยคนอื่นนะมันแปรปรวนได้ง่ายถืออาศัยสิ่งอื่นเช่นต้องมีชื่อเสียงมากๆต้องมีเงินมากๆอาศัยเงิน ความสุขของเราอาศัยเงินหรืออาศัยชื่อเสียงตำแหน่งหน้าที่เงินก็เป็นของแปรปรวนตำแหน่งหน้าที่ยิ่งไม่มีคงที่เลยไม่มีหรอกที่ว่าจะเป็นใหญ่เป็นโตแล้วเป็นนิรันดร น, นะยังเป็นนายกก็เป็นได้ชั่วคราวนะถ้าตายเร็วก็ยังไม่ตกก็อยีถ้าช้าก็าต้องตกก็อยีทุกคนแหละเป็นธรรมชาติเลยให้ความสุขที่อาศัยตาแหน่งน แ ป, ปรปวนความสุขที่อาศัยเงินก็แปรปรวนนะเรามามีความสุขได้โดยที่ไม่อิงอาศัยคนอื่นไม่อิงอาศัยสิ่งอื่นมีความสุขได้ด้วยตัวของเราเองถ้าเรามีธรรมะเราพยายามมารู้สึกอยู่ที่ตัวเองเรียนรู้ตัวเองให้มากๆนะมีสติอยู่ในกายมีสติอยู่ในใจเห็นกายตามที่กายเป็นเห็นใจตามที่ใจเป็นนะ เราเห็นเลยมีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของที่ถูกบีบคั้นมีแต่ของที่ไม่เป็นไปตามใจชอบนะเราสั่งไม่ได้ทั้งกายทั้งใจอย่างร่างกายเราสั่งว่าอย่าแก่มันก็แก่อย่าเจ็บมันก็เจ็บอย่าตายมันก็จะตายนะใจเราสั่งให้มีแต่ความสุขมันก็ไม่มีห้ามมีความทุกข์มันก็ยังมีความทุกขนะ์เราไม่มีอานาจเหนือมันจริงๆหรอกถ้าเราเข้าใจความจริงตรงนี้นะเราจะอยู่กับมัน โดยไม่ได้มีความอยากเป็นอย่างอื่นนะหรือไม่อยากที่ฝืนธรรมชาติเรามีร่างกายอยู่กับร่างกายแต่ไม่โง่ถึงขนาดที่ว่าร่างกายนี้ต้องหนุ่มต้องสาวตลอดนะต้องแข็งแรงตลอดต้องไม่ตายนะเราอยู่กับมันได้นะถ้ามันแก่ขึ้นมาายอมรับได้ไม่ทุกมันเจ็บขึ้นมายอมรับได้ไม่ทุกนะมันตายขึ้นมายอมรับได้ไม่ทุก สิ่งที่เราชอบใจพลัดพรากไปยอมรับได้ก็ไม่ทุกยอมรับไม่ได้ทุกนานอย่างคนไหนเคยอกหักยกมือซิมีไหมคนไหนเคยอกหักเียวเลยนะทุกนะทุกเพราะอะไรเรายอมรับไม่ได้ว่าเราจะเสียคนนี้ไปใจเรายอมรับความจริงตรงนี้ไม่ได้แต่ถ้าใจเราฉลาดเรารู้ว่าทุกอย่างเป็นของไม่แน่นอนคนนี้เรารักจริงนะแต่ ว, ว่าเขาแปรปรวนไปแล้วหรือ อาจจะจากเป็นจากตายอะไรก็แล้วแตนะ่ยอมรับความจริงที่กําลังปรากฏอยู่ต่อหน้านไดนะ้จะไม่ทุกข์เท่าไหร่หรอกเจ็บป่วยแล้วยอมรับได้ว่ามันธรรมดามันป่วยเป็นคราวๆอย่างนี้นหะก็ไม่ทุกข์เท่าไหร่นะบางคนเจ็บป่วยก็ทนทุรนทุลายนะร่างกายเจ็บนิดเดียวใจยอมรับไม่ได้บางคนถึงตายเลยบางคนไปเช็คร่างกายแข็งแรงมากไปตรวจร่างกายประจำปีก็เป็นมะเร็งขั้นที่หนึ่ง กลับมาบ้านนะเฉาเลยรุ่มใจมากกินไม่ได้นอนไม่หลับยอมรับความจริงไม่ได้ว่าเป็นมะเร็งแปบ๊บเดียวก็ตายเลยนั้นถ้าเราสามารถดํารงชีวิตอยู่นะในปัจจุบันเนี้ยเราไม่ไปหลงผูกพันกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่หลงปฏิเสธสิ่งใดสิ่งหนึ่งเราอยู่ด้วยความเป็นกลางเราจะอยู่ตรงไหนก็มีความสุขตรงนั้นแหลนะความทุกข์จะมาไม่ถึงใจเราหรอกความทุกข์เข้าได้แต่ร่างกาย แต่ความทุกข์จะเข้ามาไม่ถึงใจอีกต่อไปเราไปสังเกตดูความทุกข์ทางใจของเรานะมันมาจากใจเรามันมันไม่ยอมรับสภาวะที่กําลังเป็นอยู่มันอยากให้เป็นอย่างอื่นหรืออยากให้สิ่งที่เป็นอยู่เนี้คงที่นิรันดรนะนะ์เคยไหมเวลามีความสุขแล้วก็คิดหวั่นใจว่าความสุขจะหายไปเคยไหมกลุ้มใจล่วงหน้าใช่ไหม บางคนนะชีวิตมีความทุกข์มากเลยนะหวังว่าวันหนึ่งความทุกข์จะหายไปวันหนึ่งความทุกข์ปัญหามันลดลงมีความสุขขึ้นมาก็ยังไม่มีความสุขอีกในใจลึกๆนั่นหวั่นเกรงมากเลยว่าวันหนึ่งความสุขนี่จะหายไปอีกเนี่ยมันมันยอมรับความจริงไม่ได้ว่าทุกอย่างมันของชั่วคราวนะงั้นพะพทธเจ้าเลยสอนให้เรามารู้เรียนรู้ความจริงความจริงเป็นสิ่งที่อยู่ในปัจจุบันเท่านั้นนะในอดีตเป็นความจําในอนาคตเป็นความคิด ความจริงอยู่ในปัจจุบันเรามาเรียนรู้ความจริงอยู่ในปัจจุบันเนี่ยดูกายอย่างที่กายเป็นดูใจอย่างที่ใจเป็นจิตว่าหนึ่งเราเข้าใจมันเป็นอย่างนี้แหละเป็นของไม่เที่ยงเป็นของที่ถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเป็นของที่ไม่อยู่ในอำนาจบังคับไม่เป็นไปตามใจอยากแต่เป็นไปตามเหตุของมันพอใจยอมรับตรงนี้ได้นะใจจะเข้าสู่ความเป็นกลางเพะงั้นถ้าเราเห็นความเป็นจริงมากเข้านะใจยอมรับได้ใจจะเข้าสู่ความเป็นกลางด้วยปัญญา คำว่ากลางนี่มีหลายแบบนะกลางบางอย่างกลางด้วยสมาธิจิตไม่เป็นทุกข์ไม่เป็นสุขอะไรเฉยๆอุเบกขาเพราเป็นกลางกลางด้วยสติก็มีเช่นรักขึ้นมารู้ทันมันดับเกลียดขึ้นมารู้ทันมันดับจิตเป็นกลางกลางแบบนี้ยังกลางชั่วคราวกลางด้วยสติกลางด้วยสมาธินะ ก, าาา ก, ากลางชนะั่วคร า, าวาเดี๋ยวก็ไม่กลางอีกแล้วถ้ากลางด้วยปัญญาเนะี่มันเห็นความจริงเรารู้ความจริงของกายรู้ความจริงของใจมากไป ถึงว่าหนึ่งจิตเข้าสู่ความเป็นกลางด้วยปัญญาอย่างเรารู้ความจริงว่าความสุขก็ชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวนะความดีก็ชั่วคราวความชั่วก็ชั่วคราวอะไรๆก็เป็นของชั่วคราวหมดเลยกระทั่งร่างกายนี้ก็เป็นของชั่วคราวเพราะเรานั่งดูอยู่ทุกวันนี้เราเห็นเลยร่างกายเป็นชั่วคราวนะร่างกายที่หายใจออกก็อยู่ชั่วคราวแล้วก็ตายไปร่างกายที่หายใจเข้าอยู่ชั่วคราวแล้วก็ตายไปนะร่างกายยืนเดินนั่งนอนทุกอย่างชั่วคราวหมดเลย พอใจมันยอมรับว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของชั่วคราวนะใจจะเข้าสู่ควาเป็นกลางความสุขเกิดขึ้นไม่หลงยินดีหรอกเพราะรู้ว่าชั่วคราวนะความสุขหายไปก็ไม่ต้องทุรนทุรายเพราะยอมรับได้เพราะมันมาแล้วนะ่ะไม่เป็นของชั่วคราวอย่างถ้าเรามีคนรักสักคนนะอยู่ด้วยกันวันหนึ่งเขาไม่อยู่เนี่ยถ้าใจของเราพอนาได้ดีนะเราจะรู้สึกว่าเรายังยิ่มใจอยู่นะ อย่างน้อยเคยได้ใช้ชีวิตที่มีความสุขร่วมกันอยู่ช่วงหนึ่งลแล้วเราพอใจแล้วไม่ใช่ว่าหิวโหยอยากจะอยู่อย่างนี้นรันดอนเพราะมันอยู่ไม่ได้จริงเนี๋ยใจที่ยอมรับความจริงของปัจจุบันได้นะจะไม่ทุกข์จะไม่มีความทุกข์เกิดขึ้นงั้นเราก็มาเรียนรู้ความจริงของกายของใจให้มากๆนะจนมันยอมรับความจริงด้วยปัญญาเห็นชัดเลยร่างกายนี้เป็นของชั่วคราว สุขทุกข์ดีชั่วเป็นของชั่วคราวเราเห็นอย่างนี้นะร่างกายจะแปรปรวนก็เรื่องธรรมดาสุขทุกนขะ์ความสุขจะเกิดแล้วก็หายไปอะไรก็เรื่องธรรมดาความทุกข์จะมามาแล้วมันก็ไปเหมือนกันมันก็เรื่องธรรมดาดีได้มาแล้วก็หายไปนะชั่วโรกปวดหลงเกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็หายเคยไม่ลวดแล้วไม่หายไม่มีไม่ต้องทาอะไรหรอกมันหายตัวของมันเองไดนะ้เพราะมันไม่เที่ยง เคย อ, อยากได้อะไรไหมแล้วอยากอยากแล้วไปคิดเรื่องอื่นลืมเรื่องนี้นะก็หมดความอยากไปพอคิดใหม่อยากใหม่นะจริงทุกอย่างมันชั่วคราวไปหมดเลยถ้าใจยอมรับม่าทุกอย่างชั่วคราวนะอะไรอะไรเกิดขึ้นเนี่ยไม่หวั่นไหวจะแกะ่ก็ไม่วไวหวั่นไหวเพราะมันชั่วคราวจะเจ็บก็ไม่หวั่นไหวเพราะมันชั่วคราวจะตายก็ไม่หวั่นไหวเพราะมันชั่วคราวจะพลาดพลากจากสิ่งที่เรารักก็ไม่หวั่นไหวเพราะมันของชั่วคราวนะ จะเจอสิ่งที่ไม่รักก็ไม่หวันไหวเพราะว่ามันก็เจอชั่วคราวนะทุกสิ่งทุกอย่างเนใจจะไม่มีความกระเพิ่มหวันไหวเลยใจจะมีความสงบสุขเวลาหวันไหวแต่ละทีนะก็เพิ่มขึ้นก็เพิ่มลงตลอดเวลาใจนั่งแกว่งไปแกว่งมานะหาความสุขไม่ได้เลยไม่มีความสุขไม่มีความสงบ <tailored S 1> เรื่องการภาวนาเนี่ยเราไม่ได้มุ่งที่สุขไม่ได้มุ่งที่สงบไม่ได้มุ่งที่ดีแต่เรามุ่งให้เห็นความจริง เมื่อใจได้เห็นความจริงแล้วใจจะมีความสุขมีความสงบมีความดีเป็นอาตนมัติเป็นของแถมจากการที่มีปัญญารู้ความจริงอย่างใจพระอรหันต์นะมีความสุขมีความสงบมีคุณงามความดีแต่ถ้าไม่ได้ยึดถือนะมันเป็นของแถมเพราะมีปัญญารู้แจ้งแทงตลอดแนละ้วว่าโลกนี้เป็นทุกทุกสิ่งทุกอย่างี้ชั่วคราวไปหมดนะ งั้นการที่เราหัดมาภาวนานะก็เพื่อให้จิตมันได้เรียนรู้ความจริงว่าทุกอย่างมันชั่วคราวทุกอย่างมันชั่วคราวจนวันหนึ่งมันยอมรับความจริงได้มันเข้าสู่ว่าเป็นกลางต่อไปอะไรเกิดขึ้นก็ไม่ทุกข์แต่ตรงนี้ยังไม่ได้พูดถึงกระบวนการของการเกิดอริยมรณนะอันนี้แค่ว่าจิตมันเป็นกลางด้วยปัญญาจิตที่เป็นกลางด้วยปัญญาเนี่ยยังมีความแปรปรวนได้อีกนะถึงวันหนึ่งก็เสื่อมปัญญาก็เสื่อมได้นะยังเป็นโลกียะอยู่ ยังเสื่อมได้วันนี้เป็นกลางได้นะผ่านไปสักปี2ปีนะการภาวนา ย, ยอดหย่อนลงไปไม่เป็นกลางอีกแล้วก็มีเคยยอมรับได้แล้วมันหลังยอมรับไม่ได้ก็มีนะไม่เหมือนกันที่เกิดอริยมรรคแต่ตรงที่จะเกิดอริยมรรคได้เนะี่ยมันจะต้องผ่านจุดสําคัญเรียกว่าสังขารู้เปกขญยานสังขารู้เปกขายานยาณแปลว่าปัญญามีปัญญานะเป็นกลางต่อสังขารคือความปรุงแต่งทั้งปวง ใ น, นการที่เรามาหัดดูกายดูใจเนี่ยเห็นทุกอย่างเป็นของชั่วคราวเห็นทุกอย่างเป็นทุกบงังคับไม่ได้นะตึงจนนึจิตจะเป็นกลางอย่างที่บอกสุขทุกข์ดีชั่วทั้งหลายเป็นของชั่วคราวจิตที่เป็นกลางที่เป็นกลางแล้วเนี่ยถ้าบุญบา ร, รมีของเรามากพอนะเราสะสมมามากพอศีลสมาธิปัญญาของเราบริบูรณ์ขึ้นมาเนี่ยจิตจะรวมเข้าอับปานาสมาธิจิตจะเข้าฌานนะเวลาที่เกิดอริยมรรคจะไม่เกิดในจิตของคนธรรมดาอย่างนี้ เวลาที่เกิดอริยมรรคทุกครั้งเนี่ยจิตจะเข้าอัปปนาสมาธิเสมอแต่เป็นอัปปนาสมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตถ้าเป็นอัปปนาชนิดที่จิตไปตั้งอยู่กับอารมณ์อริยมรรคจะไม่เกิดเพราะจิตอยู่ที่ฐานที่จริงพอจิตอยู่ที่ฐานที่งจริงสมาธิมันเกิดขึ้นที่นี่นะมันจะมีพลังคุณงามความดีทั้งหลายเนี่ยจะรวมตัวลงที่จิตพร้อมๆกันในขณะเดียวกันจะรวมพลังนะ ของความดีทั้งหลายที่เราสะสมบารมีทั้งหลายที่สะสมเนี่ยพอจิตรวมข้ออักบนาภุ๊นะอาศัยสัมมาสมาธิเนี่ยพรนะเจ้าท่านบอกว่าสัมมาสมาธินะเป็นภาชนะรองรับองค์มรรคทั้งเจ็ดที่เหลือเพราะฉะนั้นส ม, มาธิฏิสัมมาสังกัปปะสัมมาวายามะนะสัมมากรรมันตสัมมาชีวะสัมมาวาจาอะไรเนี่ยประชุมลงที่จิตทั้งหมดเลยในขณะจิตเดียวกันพร้อมๆกัน แล้วกว็โพธิปักคียธรรม37ประการคือบารมีบุญความดีทั้งหลายแหลรวมตัวกันในขณะเดียวกันกนี่เกิดเป็นพลังที่มหาศาลขนะุดคุยเข้าไปถึงใต้จิตสำนึกของเราได้ไปทำลายอาสวะสังโยชน์ได้นะทาลายสังโยชน์ได้ถ้าไม่งั้นไม่มีแรงพอที่จะไปทำลายกิเลสในจิตใต้สำนึกของเรานะในขณะนั้นสติระลึกลงที่จิตโดยไม่ได้เจตนาระลึก จิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตโดยไม่ได้เจตนาให้ตั้งมั่นนะปัญญาเห็นความจริงของจิตโดยไม่ได้เจตนาจะเห็นนะทุกอย่างนี้ไม่มีเจตนาถ้าเมื่อไรเกิดเจตนาทางใจขึ้นเรียกว่ามโนสัญญะเจตนาจิตจะเกิดการกระทํากรรมสร้างภพสร้างชาติขึ้นทันทีเลยอริยมรรคจะไม่เกิดนะเพราะฉะนั้นเวลาที่เกิดอริยมรรคเนี่ยจะไม่มีความจงใจสักนิดเลยถ้านั่งภาวนาไปแล้วเอ้ยตรงนี้ดีแล้วใกล้แล้วใกล้แล้ว ยังไม่เกิดนะแบบไม่ทันตั้งหลักนะพอนาไปไม่ทันตั้งหลักมันเกิดนะเหมือนอย่างพระนนท์นตัวอย่างที่เห็นชัดเลยพระนนท์นะตอนพระเจ้าจะนิพพานเนี่ยท่านร้องไห้เลยท่านก็บอกว่าข้าพระองค์ยังเป็นโสดาบันอยู่เลยยังไม่พ้นทุกข์เลยพระองค์จะนิพพานแล้วใครจะสอนข้าพระองค์ผู้ได้เจ้าบอกว่านนเธอสร้างบารมีมาสมบูรณ์เต็มเปี่ยมแล้วนะ ถ้าตาขาคนนี้ผ่านนล้วไม่นานเธอก็จะบรรู้พระอรหันต์เนี่ยพระเจ้าพูดเนี่ยนะพระนนทก็ค่อยมีกําลังใจหน่อยนะไม่งันก็ท้อแท้ไปเลยสิ้นพระพุทธเจ้าเพราะท่านรักผูกพันมากนะผูกพันมากจริงๆนะกระทั่งตอนกลางคืนนะออนกลางคืนเนี่ยพระนนทไม่ค่อยนอนหรอกจะถือโคมไฟอันหนึ่งนะไปเดินอยู่รอบๆกุฏิพระพุทธเจ้าคืนละหลายๆลครั้งเพื่อพระพุทธเจ้ามีอะไรจะใช้ คิดถึงขนาดนี้นะใจท่าน่ะนิพรพเจ้าจะนิพพานนะใจท่านห่อเหี่ยวไปหมดเลยหมดหวังละพพุทธเจ้าให้กำลังใจบอกบารบ ม, มีถือสมบูรณ์แล้วล่วลวะทํทำความเพียรเข้าไม่นานก็มารู้พระอรหันต์ได้พยากรณ์ไว้ให้พอนิพพานนะก็จัดงานศพพุทธเจ้าอยู่เจ็ดปดวันนะแบ่งกระดูกแบ่งพระาธาตุอะไรเสร็จแล้วก็พระนอนยังต้องตะเวนไปบอก ที่นนทีนี่นะพระเจ้านิพพานแล้วอนะไร้มีธุระยุ่งกับโลกอยู่ช่วงหนึ่งจากนั้นก็มาที่กรุงราชครึ่ที่จะนัดสังขยนณาเล้มาเร่งความเพียรพระนนั้นเดินจงกรมมากเลยถ้าไม่เดินจงกรมมากอายุเยอะแล้วอายุมากเนี่ยนะถ้าภาวนานั่งเฉยๆดีไม่ดีหลับนะท่านก็พยายามเคลื่อนไหวร่างกายเดินเดินเดินเลยเนี่ย ในท่าใจพิโดกก็บอกว่าพระนนท์เนี่ยยังราตรีสุดท้ายให้ล่วงไปด้วยกายคตาสติเป็นส่วนมากคำว่ากายคตาสติตรงนี้นะหมายถึงกายานุปัสสนาสติปัฏฐานนะให้เป็นวิปัสนาไม่ใช่กายคตาสติในอนุสติ10บข้อที่เป็นสมถกรรมฐานนะก็คือการเจริญกายานุปัสสนาเองพระนนทเนี่ยนนยังราตรีสุดท้ายนะด้วยกายานุปัสสนาเป็นส่วนใหญ่ เวลาที่เหลือเราส่วนน้อยเป็นอะไรจิตที่รวมเข้าพักสิการเดินปัญญาไม่มีเดินรวดเดี่ยวไม่มีนะดูกายมันทํางานไปนะยจิตที่รวมเข้ามาหยุดการเดินปัญญาเป็นช่วงๆไปนะนท่านพนะักเพียรนัะพรุ่งนี้เช้าจะต้องสังขยนาณ์นะทํายังไงก็ไม่บรรลุสุดท้ายก็ใกล้รุ่งแนละ้วก็นึกเดี๋ยพรุ่งนี้ต้องไปร่วมสังขยาณ์ไม่รู้เขาจะให้เข้าหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเพราะไม่มีคุณสมบัติไม่ได้เป็นพระหรัน์ แต่ไม่รู้จะทำยังไงละสุดสติสุดปัญญาละทำไงมันก็ไม่บรรลุนะไม่รู้ก็เหนื่อยเต็มทีแล้วต้องพักผ่อนท่านเอ็นตัวลงนอนในพระไตรปิฎกบอกว่าศีรษะไม่ทันถึงหมอนเท้าไม่ทันพ้นจากพื้ น, นพาหนอนก็บรรลุพาหันไม่ได้เจตนาหช่ไหมแต่ว่าอยู่อย่างพวกเราไม่ได้เจตนาจะบรรลุไหมไม่บรรลุนะ ท่านภาวนาแหลกหลานมาแล้วนะแล้วพอหมดความจงใจมันถึงบรรลุอย่างพวกเราเนี่ยนอนเล่นขี้เกียจขี้คล้า น, นแล้วบอกเนี่ยไม่มีเจตนาจะบรรลุเลยทําไมไม่บรรลุสัทีฝันไปเถอะไม่มีทางหรอกต้องทําจนเต็มเหนียวเลยนะแล้วหมดเจตนานแล้วเป็นอย่างนี้ทุกคนนะนอย่างนี้จริงๆเลยถ้าคิดว่าจะบรรลุจะบรรลุไม่ได้กิ่นหรอกมันเล่นทีเผลอคือเล่นตอนที่ไม่ได้เจตนาถ้าเจตนาจะสร้างภพ ถ้าไม่ได้เจตนาเนี่ยที่จะเกิดได้พ้นจะกกรรมเจตนาเป็นตัวกรรมขึ้นโลคุตระได้เหนือกรรมขึ้นไปฉะนนพวกเรามีหน้าที่เรียนรู้ให้มากนะถ้าดูจิตได้ให้ดูจิตเพราะจิตเนี่ยเป็นหัวหน้าของธรรมะทั้งปวงจิตใจของเราเป็นใหญ่เป็นประธานในธรรมะทั้งปวงจิตดีจิตร้ายอะไรเนี่ยเป็นเครื่องจาแนกสัตว์ กิเลสเกิดที่จิตปุสสนก็เกิดที่จิตมรรคผลก็เกิดที่จิตแต่นิพพานไม่ได้เกิดนะนิพพานไม่มีเกิดไม่มีดับมรรคผลเป็นโลกุตระที่ยังเกิดดับแต่นิพพานเป็นโลกุตระที่ไม่เกิดไม่ดับนะงั้นทุกอย่างนะมันเกิดที่จิตเรานี่เองอาคุศลโลกดลหลงก็เกิดที่จิตไม่ได้เกิดที่ร่างกาย กุศลทั้งหลายคุณงามความดีทั้งหลายเช่นศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาอะไรเกิดที่จิตมรรคผลก็เกิดที่จิตเพราะฉะนั้นถ้าเรียนรู้จิตได้นะก็เรียนรู้จิตไปเห็นความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของจิตเห็นการปรุงแต่งเห็นการทํางานของจิตดูได้ดูไปแต่ถ้าวันไหนไม่มีแรงพอหรือบางคนดูจิตไม่ได้ให้ดูกายนะเรียกครูบาอาจารย์สอนหลวงพ่อมานะ ท plane. ่านบอกว่าถ้าดูจิตได้ให้ดูจิตดูจิตไม่ได้ให้ดูกายเนี่ยหลวงปู่สุวัตหลปู่สุวัตนะไปหาหลวงปู่มั่นหลวงปู่สวั์ไปรู้สิหลวงปู่ฟั่นแต่ว่าเข้าไปหาหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นก็สอนเลยดูจิตได้ให้ดูจิตดูจิตไม่ได้ดูกายถ้าดูจิตก็ไม่ได้ดูกายก็ไม่ได้นะให้ทําสมถะอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจไปให้จิตมันได้สงบได้พักผ่อน พอมันมีแรงแล้วนะมันจะกลับมาดูจิตได้อีกหรือมาดูกายได้อีกหลวงพ่อเคยถามหลวงปู่ดุลเพราะว่าไปเที่ยววัดโน้นวัดนี้นะได้ยินครูบาอาจารย์สอนคนทั่วทวไปนะทเนี่ยพุทโธพิจารณากายทั้งนั้นเลยแต่เวลาหลวงพ่อเข้าไปถามท่านแต่ละองค์แต่ละองค์งนะท่านจะสอนหลวงพ่อให้ดูจิตเหมือนกันหมดเลยนะทั้งหลวงตามหาบวยุงสอนเรื่องดูจิตเลยนะถามหลวงปู่ดุลลงปูดดงป่ครับผมยังต้องพิจารณากายอีกไหม เดี๋ยผมไปที่ไหนที่ไหนได้ยินแต่ครูบาอาจารย์พูดเรื่องพิจารณากายหลวงปู่หันเมื่อมองหน้านะหลวงปู่เป็นพระที่ซื่อตรงไม่ไม่มีมารยาอะไรทั้งสิ้นเลยท่านมองหน้าท่านไทยก็ บ, บอกที่เขาดูกายอะเพื่อให้เห็นจิตเมื่อเข้ามาถึงจิตแล้วเอาอะไรกับกายกายเป็นของทิ้งว่างี้นะฉนั้นเราภาวนาหลวงพ่อเลยหลุยเข้าที่จิตนี่เลยนะทําอยู่ ไม่นานหรอกเขาเข้าใจบางทีไปหาครูบาอาจารย์องค์น้นองนี้นะเคยมีเข้าไปหาครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่คงโตกว่าหลวงตามหมาฮาบุยนะท่านสิ้นไปแล้วสิ้นก่อนเข้าไปหาท่านไปส่งกันบ้านท่านหรือออกจากท่านมาตอนเย็นไปเจอพระอุปถัมภ์พระอุปถัมภ์ท่านถามเลยโยมทําได้ไงพระทํำตั้งสิบปียีสิบปีนะยังไม่ได้อย่างโยม โยมทําแป๊บๆทําได้โอกผมทําทั้งวันเลยนะทนําได้ตตื่นเลยนะตื่นขึ้นมาก็ดูจิตดูใจของเราเลยร่างกายยังไม่ทันจะเคลื่อนไหวเลยตื่นขึ้นมาก็เห็นจิตมันตื่นแล้วนอนไปจนถึงนอนหลับก็เห็นจิตมันลงไปนอนทําทั้งวันเลยดูมันอย่างที่มันเป็นนะตอนไหนฟุ้งซ่านก็ทําความสงบเข้ามาเห็นดูเข้ามาให้ถึงจิตถึงใจนะจะสั้นนิดเดียวเส้นทาง แต่ถ้าไม่มีแรงเข้ามาดูจิตดูจิตไม่เห็นดูกายไปจิตเหมือนเจ้าของบ้านกายเหมือนบ้านเราหาเจ้าของบ้านยังไม่เจอไปเฝ้าบ้านมันไปเดี๋ยวก็เจอเจ้าของนะยังไปได้พวกที่มีหลายบ้านนะไม่รู้มันอยู่บ้านไหนไปดับไม่เจอสักบ้านเรามีบ้านเดียวมีกายนี่เองอันเดียวนี้แหละเราค่อยรู้สึกอยู่ในกายในที่หลวงปู่ท่านสอนนะดูกายก็เพื่อให้เห็นจิตนั่นแหละ ไปเฝ้าบ้านเขาไว้เพื่อจะวันหนึ่งจะได้เห็นเจ้าของบ้านเห็นเจ้าของบ้านแล้วเพื่ออะไรเห็นจิตเพื่ออะไรเพื่อให้เห็นธรมนะธรมธรรมะมีอะไรบ้างธรรมะก็มีอกุศ ล, ลธรรมนะอกุศลมเกิดที่จิตธรรมะมีอะไรอีกมีกุศ ล, ลธรรมนะก็คือกุศลเกิดที่จิตมีมัดผลเกิดที่จิตนี่เป็นโลกุตตระธรรมนะเพราะฉะนั้นธรรมทั้งหลายประชุมลงที่จิตทั้งนั้นเลยนะ แล้ตัวนิพพานเนี่ยนิพพานไม่ได้เกิดไม่ได้ดับนะแต่จิตที่บริสุทธิ์แล้วเนี่ยสัมผัสท่นิพพานจิตนั่นแหละส่งพ่นิพพานอยู่นะจิตกระทร่งเป็นนันเดียวกันจิตกระทั่งนิพพานจิตจะรวมเข้ากับพนิพพานแต่ไม่ใช่นิพพานนะนิพพานกับจิตคนละสภาวะกันจิตเปนคนรู้นิพพานนิพพานถ้าเรียกนิพพานว่าอายตนะอันหนึ่งจะเป็นอายตนะพิเศษไม่มี ดินน้ำไฟลมไม่มีอากาศไม่มีวิญญาณไม่มีอากินจัญญายตนะไม่มีวิญญาณัญจายตนะลงท้ายไม่มีในวัฏญงายสัญญายตนะต้องฝึกนะมันเป็นศาสตร์ของพระพุทธเจ้ารักษาศี่ห้าฝึกใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวดูความเป็นจริงของกายของใจเรื่อยๆไป จะต้องทํากี่ปีก็ทําไปอย่าหวังว่าจะดีทําไปเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าแทนคุณพระพุทธเจ้าที่อุตสาสอดไว้ไม่ได้บุญปฏิบัติเพื่อเอาดีนะถ้าปฏิบัติเพื่ออยากได้อยากได้เมะะื่อไห ร, ร่จะบรรลุเมื่อไหร่จะบรรลุไม่บรรลุหรอกทําแล้วก็อย่าเอาความดีเข้าตัวนะถือว่าเราปฏิบัติบูบบชาพระไปไม่ได้ทําเพื่อตัวเองพยายามทําใจให้ถูกแล้วมันจะภาวนา ง, ง่าย ทุกวันต้องปฏิบัติบูบชาพระพุทธเจ้าเป็นการปฏิบัติบูบบบบชาถ้าทําได้นะมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางรุ่มไปวันไหนดูไม่รู้เรื่องแล้วก็มาทําความสงบใกล้พราส่วนมนไปแต่ยังไงไงก็ไามา่ให้ผิดศี่ห้าทำอยู่อย่างนี้แหละว่นะาผลมันไม่หนีไปไหนหรอกเหมือนว่ามันอยู่ไกลๆนะเราเดินทุกวันไกลแค่ไหนมันก็ถึง ถ้ทอแท้ใจว่าไกลแล้วเกิดไม่ถึงพอถึงแล้วแทบเขกหัวตัวเองด้วยซ้าไปว่าไม่เห็นจะไกลเลยอยู่ต่อหน้าต่อตานี่เองเที่ยวหาแทบตายธรรมะอยู่กับตัวเองเหรอเที่ยวหาไปที่ไหนที่ไหนนะงั้นหลวงพ่อไม่แนะนําหรอกนะให้เที่ยวร่อนเร่ไปเรียนที่น้นที่นี่ไร้สาระมากเลยธรรมะเรียนเข้ามาที่ตัวเองนี่งั้นไม่ต้องร่อนเร่ไปที่ไหนหรอกถ้าภาวนาไปแล้วติดขัดสงสัยอะไรไม่ได้ถามหลวงพ่อนะไปฟังซีดีไปเปิดซีดีฟังนะ มีทุกคำตอบเลยเวลาจะฟังก็สุม่มฟังเอาก็ได้ยกมือไหว้ซะก่อนคิดถึงพระพุทธเจ้าหน่อยแล้วก็สุ่มเปิดไปเลยเดี๋ยวก็เจอนะมีทุกคำตอบทุกคาถามนะนะยกเว้นคำถามบา้บาๆบอๆเช่นหัวจะออกอะไรไม่มีนะอย่างนี้นไม่มีหรือคนนี้ตายแนละ้วไปไหนอะไรอย่างนี้นไม่ตอบนั่นไม่มีสาระไม่เป็นประโยชน์เพื่อความพ้นทุกข์ เรื่องที่เป็นประโยชน์เพื่อความคุ้นทุไปเปิดซีดีฟังมีทั้งนั้นเรื่องรักษาศีลห้านะฝึกใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวดูความจริงของกายของใจไปเรื่อยๆดูจิตใจได้ดูจิตใจไปดูจิตใจไม่ได้ดูกายดูจิตใจดูกายไม่ได้ทําความสงบไว้ใช้หลักอันนี้นะไม่ไมยากเท่าไหร่หรอกเอาต่อไปส่งเงินบ้านได้นิดๆหน่อยๆแล้วเทศยาวมากเลยวันนี้ หนูไปอยู่ที่วัดอะค่ะแล้วก็นั่งสมาธิเรารู้สึกว่าเหมือนเห็นตัวเองนั่งอยู่แล้วก็เหมือนเห็นความคิดวิ่งไปแต่รู้สึกว่ามันยังเข้าไปรวมกับความคิดนั้นอยู่อะค่ะใช่ได้นะถ้าเรารู้ว่าจิตไหลไปรวมกับความคิดเนี่ยดีมากเลยไม่ต้องพยายามแยกหรอกมันแยกของมันเองทาถูกแล้ ว, ถ, ลวถูกแล้วล่ะ ต่อไปขันน้ำจะแยกนะจิตไหลไปรวมกับอะไรนะรู้ทันมันก็คลายออกนะพระอรหันเนี่ยจิตไม่ไหลจิตจะไม่เคลื่อนที่เลยนะจิตจะไม่ไปรวมเข้ากับอะไรเลยยงเว้นรวมเข้ากับธรรมจะไม่รวมเข้ากับรูปเสียงกยลิ่นรสสัมผัสอะไรย่างนี้ไม่มีนะขันจะแตกกระจายออกหมดนะจิตไม่เคยรวมเข้ากับขันเลยจิตพลากจากขันท่านใช้คําอย่างนี้นะในพระไตรปิฎกท่านใช้คําว่าจิตพลากจากขัน เงินของเราจิตเที่ยวไปรวเมเหมือขันเป็นเรื่องปกตินะแยกก็แยกเป็นคลาลเพราะเราไม่ใช่พารหัน์นะไม่ต้องกลุ้มใจเราได้เคยแยกบ้างก็บุญนักหนาแล้วโนะสวดาสกตาคาอะไรเนี่ยดูแค่แค่นี้ก็ไปได้นะไม่ยากอะไรหรอกนะต่อไปตอนนี้รู้สึกมันค่อนข้างเสื่อมมากอะอะไรเสื่อมภาวนานมันเสื่อมขึ้น ปกติดูจิตไหลมันจะตั้งมั่นตอนที่ดูแล้วรู้สึกมันก็ไม่เห็นอะไรเลยเล ย, เลยได้แต่กระดูการทาสมถะไปกออทําสมถะไปการภาวนานะไม่ว่ามือระดับไหนน ะ, จะเจริญแล้วก็เสื่อมเป็นเรื่องปกติเลยถ้าภาวนาแล้วจเจริญลูกเดียวเนี่ยเราจะเข้าใจผิดในธรรมะเราจะเห็นว่าเป็นของบังคับได้กูแน่กูเก่งไปสิเงแต่ทั้งทั้งที่เราภาวนาเหมือนเดิมทุกวันนะบางวันจเจริญบางช่วงเสื่อมนะ เสื่อมก็อย่าตกใจมีหน้าที่ภาวนาก็ภาวนาไปนะถึงเวลามันก็เจริญจเจริญแล้วก็อย่าไปคิดว่าจะเจริญตลอดแล้วก็ภาวนาตลอดไปทั้งๆ ท, ที่ภาวนาอยู่นี่แหละมันเสื่อมให้ดูนะนี่แหละครูบาอาจารย์เคยสอนนะจิตมีธรรมชาติเจริญแล้วเสื่อมฉันสอนอย่างนี้นะก็ดีเสื่อมดีแล้วดีกว่าไม่เสื่อม <c oughs> ถ้าไม่เสื่อมจะได้มิจฉาทิฐิ ก็มืเกิดนี้ก็ดูเวทนาในระหว่างที่เวทนายังไม่เกิดเนี่ยส่วนใหญ่มันจะไหลไปอยู่กับความคิดหรืออยู่กับลมบ้างอะไรพวกนี้ค่ะทีนี้พอตอนเวทนามันเกิดเนี่ยก็จิตไปเจาะที่กับเวทนามันก็จะเห็นเวทนาที่มันมีพลิกแล้วก็สักระยะหนึ่งมันก็จะหายเออแล้วมันก็จะเคลื่อนไปที่อื่นอีกเออเห็นไหมเวทนาก็าเกิดดับเวทนาเป็นสิ่งที่เราบังคับไม่ได้มันจะเกิดมันก็เกิดนะมันจะดับมันก็ดับสั่งมันไม่ได้หรอก เนี่ยเฝ้าเรียนรู้ไปนะเนี่ยใจก็จะได้เห็นความจริงแล้วก็เห็นอาการของจิตว่าไอ้สิ่งที่ตรงนี้มันเกิดเนี่ยมันเป็นแค่อาการของจิตมันไม่ใช่เราตรงนั้นใช่ไม่มีเราหรอกนะแต่แต่ว่าพอเผลอๆมันยังมีเราอีกนะก็ยังไม่ใช่โสตตาถ้าเป็นพระโสตตาแล้วมันจะไม่มีเรามันจะเห็นแต่ขันมันทํางานไม่มีผู้ทํางานเห็นขันมีอยู่แต่ไม่มีเจ้าของไปทําอีกแป๊ดีแล้ะ กล่าวแล้วว่าสักการหลวงพ่อครับขอโอกาสส่งกันบ้านครับก็อสองครั้งที่แล้วเมื่อหกเดือนที่แล้วครับแล้วก็หกเดือนที่ผ่านมาก็ดูอตอนนี้ตื่นเต้นมากครับก็เหมือนจะไปกดไว้แล้วก็ถูกแล้วก็อ่ากลัวๆด้วยครับแล้วหกเดือนที่ผ่านมาก็อเห็นตัวเพ่งมากขึ้นนะครับดีแล้วก็อ เห็นว่าที่เพ่งเพราะว่ามันกลัวถูกอะครับอืมแล้วก็อ่า เ, เห็นอีกตัวหนึ่งก็คือไอตัวก ล, ลัวมันอื่นในความชั่วด้วยเอเ อ, เอครับมันก็เลยไปกดไว้เพื่ อ, เ อ, เอไม่ให้ความชั่วมันออกมาเออ ด, ดีดีที่รู้นะครับแต่เราต้องเรียนรู้อย่างที่มันเป็นจริรพงพระเจ้ Ν าไม่ได้สอนให้เราไปกดมันหรอกท่านสอนดูกราพิกสูทั้งหลายจิตมีราคาให้รู้ว่ามีราคา จิตไม่มีราคะก็รู้ว่าไม่มีราคะเห็นไหมให้รู้เอาไม่ได้ไปขม่มไปกดอะไรมันแต่ไม่ให้มันล้นออกมาทางกายทางวาจาเท่านั้นแหละถ้าล้นออกมาทางกายวาจาว่าผิดศีลถ้าทางใจนะกิเลสเกิดไม่เป็นไรให้คอยรู้เอาครับมันกลัวมากมันก็เลยเป็นคนแบบนี้ครับเลยต้องใจกล้าๆหน่อยสินะไม่ต้องดีก็ได้นะแล้วเมื่อวานอพี่เลี้ยงอ ช่วยแนะนําว่าให้ดูกายอะครับเพราะว่าพี่เลี้ยงบอกว่าจิตมันส่งออกนอกอะครับก็เลยเไปดูกายแล้วเหมือนเห็นจิตที่ไหลไปคิดภาพขึ้นอะนั่นแหละดีแล้วแหะนะเวลาจิตมันกระจายออกไปที่หลวงพ่อบอกว่าเราดูจิตไม่ถึงจิตหรอกแล้วเราก็มาดูบ้านของมันดูกายนะดงั้นดูกายไปอีกยังไม่พอหรอกนะแล้วก็เริ่มเห็นความชั่วมากขึ้นดีดีโงธนา ลูกศิษย์หลวงพ่อประโมทต้องชั่วนะถ้าภาวนาแลวโอ้โหดีฉันดีเลิศเลยชั่วฟ้าดินสลายไม่มีใครดีเท่าไม่ใช่ลูกศิษย์หลวงพ่อเรามันดูกิเลสไม่ออกแล้วก็จะขอกันบ้านล่วงหน้าครับเพราะว่าเดี๋ยวสิ้นเดืจะต้องกลับอเมริกาแล้วครับเราไม่รู้ว่าจะเจอหลวงพ่ออีกทีมเมื่อไหร่มีปัญหาก็ฝังซีดีอานะแล้วก็จุดสาคัญเนี่ย จิตต้องถึงฐานจริงๆเพราะฉะนั้นจำสภาวะที่จิตไม่ถึงฐานได้หรือยังเด็กที่พี่เลี้ยงเขาบอกให้มาดูกายเนี่ยเพราะจิตมันไม่เข้าฐานจิมกระจายออกข้างนอกพอจิมกระจายออกข้างนอกจะมีแต่ความสุขนะย้อนมาดู ก, กดายโดยใจมันเห็นแต่ทุกข์เลยขี้เกียจดูส่วนมากนะอย่าไปติดในความสุขมากไปนะเพราะฉะนั้นเป็นคนติดสุข วันนี้หมด แ, แล้ว่ะอยมนะ